ชีวิตเนี่ยคือกายกับจิตหรือรูปกับนามนที่สมมติว่าเป็นตัวเรานี่เราคือก้อนของธรรมะละตัวเราเราจะศึกษาธรรมะได้ก็ศึกษาที่ตัวเราบางท่านบอกว่านี่เราจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีวัดนู้นก็ดีสถานที่นี้ก็ดี มีครูบาอาจารย์มีอัติธรรมมากมายแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบสงัดวิเวกเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ถูกอยู่ถืว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของตัวเราก็ว่าได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราเลือกไม่ได้นะถ้าเลือกได้แล้วก็ไป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 เข้าใจธรรมะได้ง่ายตัวเราละคือก้อนธรรมการปฏิบัติตัวเราเนี่ยก็ง่ายการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเราแต่เริ่มตื่นเช้ามาเราลืมตาตื่ น, นแล้วก็อยู่นิ่ง ไ, ได้แล้วการพลิกตัวแต่แข่ง เพื่อเปลี่ยนอิรยาบทเนี่ยนี่เราเป็นการปฏิบัติธรรมนะคือการแก้ทุกข์เพราะนรานอนนานมีการเมื่อยล้าเราต้องเปลี่ยนอิรยาบทไปนอนท่าตะแคงเนี่ยเราเริ่มแก้ทุกข์ละการที่เราจะต้องบริหารกายหายใจเข้าหายใจออกออกกำลังกายในท่าทางต่างๆ นี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการบริหารให้ร่างกายแข็งแรงให้ก้อนธรรมคือรูปประกายเด่นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการเข้าห้องน้ําปัสสาวะอุจจละดื่มน้ํานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติตัวเราบางท่านบอกว่า ตื่นมาต้องทําจิตให้สงบอันนี้ก็ถูกต้องแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆจิตก็ไม่สงบก็เหน็ดเหนื่อยก็เป็นทุกข์การฝึกจิตทําจิตให้สงบโดยการทําสมาธิก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตแต่พอปฏิบัติธรรมตะกิตแล้ว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 คนที่มีร่างกายเป็นปกติเนี่ยก็มีอยู่แล้ ว, ลวเราลองมีสติรู้ว่าขนาดนี้รางํำลังในอิริยาบถใดตัวเราได้สังเกตกายแล้วได้ศึกษากายแนละ้วนอกจากนั้นเราก็จะมีอิริยาบถย่อยๆของส่วนกายเช่นการดื่มการเคี้ยวการงอแขนเหยียดแขน เคลื่อนไหวไปมาเดินหน้าถอยหลังจับเฉยวิแรงปันลางหน้านี่แหละคืออิเลียบทย่อยที่เราจะมีสติรู้ได้เรามีกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้นี่ได้ศึกษากายแล้วและได้เห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายกายมันบอกความจริงให้เรารู้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 ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราบางทีเราอาจจะมีสติที่ละเอียดสักหน่อยอาจจะไปเห็นจิตล้วนๆที่ไม่มีการปรุงแตง่งจิตล้วนๆที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรุงแตง่งอันนั้นคือตัวจิตแท้ๆ ท, ที่ในภาษาทำเขาเรียกว่าจิตเดิมจิตเดิมนี่คือจิตที่ไม่มีการปรุงแตง่งมีแต่ความรู้ตัวรู้บริสุทธิ์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 เพราะไม่รู้ถูกจึงต้องทำผิดเพราะเราไม่รู้จักจิตขวัญเราจึงกระเจิงสิ่งเราเนี้คือครูสอนเราท้งนั้นต้องขอบคุณเขาแต่เราพยายามแก้ไขให้ถูกต้องนี่คือการศึกษาชีวิตกายใจชีวิตนี่เขาบอกเราว่าเขาไม่เที่ยงกายได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอนะ เดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆละจิตก็เปลี่ยนแปลงจิตยิ่งไวมากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวมันก็รู้ตัวอันนี้จิตเกิดขึ้นล่ะเดี๋ยวมันก็หลงลืมตัวเองมันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยมีสติเดี๋ยวขาดสติอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของจิตคือแสดงความไม่เที่ยง